ตอนหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์หลวงพ่อไม่ได้ถามเยอะนะภาวนายเยอะถามน้อยสงสัยเราก็ดูเอากว่าจะจับเล่จับกลนของกิเลสได้แต่ละตัวแต่ละตัวเราต้องสังเกตเนอโยนิโสมนาสิการ์สำคัญมากเลยขาดโยนิโสมนาสิการ์แน่นะกุศลทั้งหลายไม่เจริญโยนโสมานาสิกามันก็ต้องมีเหตุให้มันเกิดนะ เป็นธรรมะที่มีต้องมีเหตุให้เกิดเหมือนกันอันแรกเลยจะเกิดหรือไม่เกิดอยู่ที่มีบุญหรือไม่มีบุญบางคนเกิดมานะมันสะสมความเป็นมิจฉาทิฐิติดตัวมาข้ามภพข้ามชาติมาอย่างไงมันก็ไม่รู้เรื่องคนไหนมันไม่ได้สะสมความเห็นผิดมานะค่อยๆเค ย, ค ย, คยคเรียนเคยศึกษาธรร ม, มนะมีบุญหรือเคยตั้งปณิธานไว้ว่า เมื่อใดที่าศาสนาพุทธอุบัติขึ้นที่ใดขอให้ไปเกิดที่นั้นหลวงพ่อตั้งใจไว้อย่างนั้นหลวงพ่อไม่ได้อธิษฐานว่าขอเกิดเป็นคนไทยทุกๆชาติหรือเกิดเป็นอะไรนะอะไรสามสุธีสามสี่ชาติอะไร 3, ก็ไม่ใช่อ่ะ <laughs> อันแรกเลยนะต้องมีบุญบุญนั้นก็จะส่งให้เรามาเกิดในแผ่นดินซึ่งมีาศาสนาอยู่ อาจจะอยู่ต่างประเทศก็ได้นะแต่ว่ามีศาสนาไปถึงเนี่ยบุญจะส่งให้เรามาเกิดอยนั้นต่อมาเราก็ต้องมีศรัทธาเข้าใกล้ผู้รู้เข้าไปฟังธรรมแล้วก็ไตร่ตรองพิจารณาธรรมให้สมควรแก่ธรรมการไตร่ตรองพิจารณาธรรมไม่ได้แปลว่าคีเา้เน่าสังเกตเอาสังเกตเอ า, ส, เเอาสิ่งที่เรียกว่าธรรมะคือรูปกระนำกายกระใจเราค่อยสังเกตอยู่ที่กายที่ใจเรือ่อยดูว่าจริงๆเขาเป็นยังไง แค่นี้พอละดูว่าจริงๆกลายเป็นยังไงจิตเป็นยังไงดูของจริงคอยดูของจริงไปเรื่อยดูว่าจริงๆเป็นไงวันหนึ่งก็แจ้งจริงๆเป็นไตรลักษณ์เราเห็นความเป็นจริงก็เบื่อหน่ายเพรเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพระหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติทำจบแล้ว กิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อบรรลุที่สุดแห่งทุกเนี่ยไม่มีอีก <Yeah. S 1> ทำแล้วทำเลยทำครั้งเดียวนีแหละขาดเลย <Yeah. S 1> งั้นอยู่ที่พวกเรานะอันแรกเลยเห็นไหย <Yeah. S 1> ต้องศึกษาต้องเข้าใกล้ครูบาอาจารย์ต้องฟังทำนะว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรไม่ใช่อาจารย์สอนอะไรนะ <Yeah. S 1> ครูบาอาจารย์จะดีจะวิเศษสแค่ไหนเชียวนะ แท้จริงก็พระพุทธเจ้าสอนไว้เราต้องดูว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรไม่ใช่สอนตามใจทรงเดชนะเรียกว่าอัตโนมัตินี่พอได้ฟังทำแล้วเราก็ต้องลงมือทำํำค่อยๆสังเกตไปดูสภาวะอย่างนี้เราไปดัดแปลงมาหรือเปล่าเราไปเพ่งหรือเปล่าหรือเราเผลอไปเราไม่ได้ดูหรือว่าพอรู้สภาวะแล้วเราเข้าไปแทรกแซงหรือว่าจิตเราไปเกยตื้นนิ่งๆอยู่ในที่ใดที่หนึ่งไม่ยอมเดินปัญญา หรือว่าช่วงนี้จิตฟุ้งซ่า น, นดูอะไรไม่รู้เรื่องแล้วฟุ้งซ่านลูกเดียวเ น, นี่ยอยู่ที่ความสังเกตของเรานะมันฟุ้งซ่านมากทำความสงบเข้ามานะมันไม่ยอมเดินปัญญาต้องน้อมใจออกไปรู้ก่ น, น้อมออกมารู้กายไม่ให้ใจนิ่งเ น, นี่ยต้องมีความสังเกตว่าจิตใจเราไปติดไปคล้องอะไรที่ไหนเมื่อไรค่อยสังเกตเอาบางคน อย่างอันเนี่ยมันช่างคิดคิดมากไปนะคิดมากไปนะต้องรู้อย่างช่วงนี้ใช้ได้แล้วต้องรู้อย่างนี้นะใช้ได้เอาแต่คิดสงสัยสงสัยสงสัยแล้วหาคำตอบไปเรื่อยมันจะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิเสียงคนความไม่เลิกแล้วสิ่งที่คนความออกนอกคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยช่วงนี้ใช้ได้แล้วนะถูกหลวงพ่อดา่าฝากเข้าไปเออดีขึ้นทันหูทันตาอย่างนี้ใช้ได้ นั้นใจมันจะคอยคิดไปเรื่อยๆค้นขวาตรงเนี้เอากิเลสมาคิดเข้าใจไหมมันคิดไปตามกิเลสเพราะว่าเราอย่ามาคิดธรรมะไม่ได้ไม่มีใครมาคิดธรรมะเอาเองได้ธรรมะนี่ต้องใช้ปัญญาต ร, รัสรู้ของผู้เจเจ้าถึงจะเข้าใจถึงจะค้นพบอย่ามาคนเองนะพระเจ้าสอนให้เรารู้กายให้เรารู้ใจอย่างที่เขาเป็นก็รู้ไปเรื่อยๆดูความจริงของเขาไปเรื่อยๆ ความจริงในใกายในใจแล้วเมื่อแจ้งเมื่อไหร่มันก็จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้ น, นก็เป็นเองใช้ได้แล้วนะคราวนี้กับดีว่าเพื่อนในกลุ่มซะอีกพวกในกลุ่มนะฟิตขึ้นมาหน่อยโมหะครอบไปหมดแล้วนะอย่าเล่นมากนะอย่าสนนนะนี่พวกนี้คนมาใหม่ไม่ต้องตกใจนะพวกนี้มันเรียนมานานหลวงพ่อโคกสับได้ใจถึงละถ้าคนมาใหม่ๆหลวงพ่อก็โอไว้ก่อน โ oh, oh, oh. อ้โอ้โอ้อยู่ๆนะั้นภาวานายังไม่เป็นเลยมาถามเราว่าที่ที่เดินอยู่นี่ถูกหรือยังเออไปเดินมาวัด น, นี้ได้ก็ถูกแล้วล่ะนะอย่างน้อยมีโอกาสได้ฟังแล้วส่วนจะภาวานาถูกหรือไม่ถูกนะก็ต้องค่อยๆสังเกตเอาเองนะจิตใจเราเปลี่ยนแปลงไหมเข้าใจความเป็นจริงของโลกของชีวิตมากขึ้นไหม ไม่ใช่จิตใจเปลี่ยนแปลงในทางนิ่งทางว่างนะไม่มีสติไม่มีปัญญาใช้อะไรไม่ได้ทุกวันใจว่างๆเนี่ยอยู่เงี้ยใครมาด่าสามวันก็ไม่โกรธลงลงมาอยู่อย่างนี้สิเนี่ยใครมามองหน้าหน่อยก็โกรธแล้วไม่ทันด่าเลยเห็นไหมเนี่ยปล่อยให้มันทำงานออกมานะแต่อย่าให้ผิดสีลหนะ้าอย่าให้ผิดศีห้านะสี่หาคัญที่สุดนะบางคนดูถูกศีลห้า ไม่เข้าใจเลยว่าจริ ง, รงๆแล้วศีลในอริยมรรคเนี่ยศีล5นะสัมมาวาจานีศีลข้อ4นะสัมมากัมมันตานีศีลข้อ1 2สสามนะสัมมาสติเนี่ยก็ต้องมีศีลข้อ5ไว้กินเหล้าเมายานัก็มีสติยากเนยะศีลอะไรในในองค์มรรคเนี่ยก็ไม่อยู่แค่นี้เองจริงๆมีสข้อเท่านั้นแหละข้อ1ถึงข้อสี่นั่นแหละ ข้อหเป็นตัวสนับสนุนบางคนรู้สึกอะไรที่น้อยๆนี่มันไม่ดียิ่งน้อยยิ่งดีจําไว้ภาวนาแทบเป็นแทบตายสุดท้ายเหลือหนึ่งจำไว้นะทุกวันนี้มีสองเห็นไหมมีสุขมีทุกขมีสามด้วยมีสุขมีทุกมีเฉยๆเนียมีดีมีชั่วใช่ไหมมีโกรธมีไม่โกรธมีโลภมีไม่โลภมีหลงกับไม่หลงเนี่ยมีฟุ้งซ่านเนี่ยมีหดหู่มีคู่คู่ มือไม่ถึงหน้ายังเป็นคู่คู่นะต่อไปภาวนาไปเรื่อยจนเห็นเลยเห็นธรรมที่เป็นคู่คู่นี่แหละแล้วจะรู้ธรรมที่เป็นหนึ่งธรรมที่เป็นคู่เป็นธรรมที่แปรรวนนะพอเข้าใจความจริงจะไม่ยึดถือมันไม่ยึดถือในสุขในทุกข์ในดีในชั่วแต่ว่าทําชั่วไม่ได้เพราะกิเลสไม่มนะีล้างกิเลสได้นี่ฉวยโอกาสโฆษณาวันกรถิน่นจะมีหนังสือเล่มใหม่ออกะ เรียนทำคู่เพื่อรู้ทำหนึ่งนะอะไรชื่อว่าทำหนึ่งก็นะทำนั่นแหละชื่อว่าหนึ่งกนะ็นิพพานนั่นแหละชื่อว่าทำหนึ่งแล้วจิตชนิดไหนที่ไปรู้นิพพานเขาเรียกว่าจิตหนึ่งเป็นจิตที่พ้นจากความปรุงแต่งนั่นแหละเรียกว่าจิตหนึ่งจิตหนึ่งเป็นนิพพานหรือเปล่าจิตหนึ่งไม่ใช่นิพพานจิตกับนิพพานเป็นองค์ธรรมคนละตัวกันแต่จิตต้องพ้นความปรุงแต่งถึงจะไปเห็นทำหนึ่ง รูบาอาจารย์ท่านเรียกจิตที่พ้นความปรุงแต่งว่าจิตหนึ่งหลวงปู่ดูลเรียกจิตหนึ่งหลวงปู่เทศเรียกว่าใจท่านพุทธทาสท่านเรียกจิตเดิมแท้หลวงปู่บุตรดาท่านเรียกจิตเดียวนี่เราค่อยดูเอาวันหนึ่งจะเจอสิ่งที่เป็นหนึ่งถ้ายังมีสิ่งที่ที่เป็นคู่นะยังใช้ไม่ได้ยังทุกข์อยู่อ่ะต่อไปตรวจกันบ้านพรุ่งนี้ไม่มีเทศนะพรุ่งนี้มีแต่ตรวจกันบ้าน รอบสองหลวงพ่อต้องออมแรงนิดหนึ่งความจริงเทศนะไม่กินแรงที่กินแรงคือตรวจกันบ้านแต่ว่าเทศไปฟังซีดีเอานะใครอยากมาเจ็ดโมงครื่งจิบเปิดซีดีให้ฟังเอาวันที่ไม่ได้ลงแผ่นก็ได้อาวันที่ไม่ได้ลงแผ่นนะเมื่อกี้ก็มีคนเขียนจดหมายมาเล่าให้ฟังนะเหมือนตายแล้วฟื้นไม่ใช่ตายแล้วเกิดใหม่ ตายแล้วฟื้นเป็นครูอยู่ทางอีสานสามีเกิดเห็นใจหาผู้ช่วยมาให้ก็นะเลยเลิกกันนะมีลูกด้วยนะเครียดมากทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตนี้อับเฉามากเลยเพื่อนฝูงสงสารนะเอาซีดีของหลวงพ่อไปให้ฟัง ฟังแล้วง่ายอย่างนี้มันจะได้เหรอมีง่ายเกินไปไอ้ที่ทำมาเดิมในะยากกว่านี้ยังไม่ได้อะไรเลย อ, อกหักรักสลายจะตายมิตายแหล่อยู่แล้วมีวันหนึ่งตื่นมาตีสานะไม่ได้คิดเรื่องปฏิบัตินะแต่ฟังซีดีอยู่ทุกวันนะเพื่อนบังคับนะฟังฟังมันคอยถามฟังยังฟังยางนะตื่นมาตีสนะอยู่ๆจิตมันก็บอกขึ้นมากาลังวิต ก, กังวลอยู่รู้ไหม นี่ไม่ใช่ธรรมดาจิตไปเห็นความวิตกกังวล น, นะบอกมันมีสภาวะเหมือนมันถอนยวงเลยถอนขึ้นเลยนะถอนทั้งตัวเลยะทั้งกายทั้งใจมันโล่งไปหมดเลยบอกโอ้ธรรมะอย่างนี้ก็มีนะธรรมะมีจริงๆนะอคนที่สานทําอย่างนี้ได้หลายคนละคนภาคกลางต้องขยันหน่อยนะอย่าเอาแต่ยุ่งเรื่องอื่นมากเกินไป ค่อยๆดูไปนะจนจิตมันเดินเองสติปัญญามแก่รอบมันถอนของมันเองเอว่าจะตรวจกันบ้านลืมทุกทีเลยคุณแตมนี่คนนี้ช่วยงานหลวงพ่อเยอะเลยตอนนี้แปรที่หลวงพ่อเขียนเป็นภาษาฝรั่งอีกเก่งหลายอย่างเชิญยังมีแต่ทำคู่อยู่ค่ะหลวงพ่อ <c oughs> เรียนทำคู่นะเรารู้ทำหนึ่งเราทำคู่ทั้งหมดสอนไตรลักษ ความสุขก็สแสดงไตรลักษณ์ความทุกข์ก nice> ็แสดงไตรลักษณ์สุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลอกุศลก็แสดงไตรลักษณ์ทำคู่นั่นแหละแสดงไตรลักษณ์ทำหนึ่งไม่แสดงไตรลักษณ์ทำหนึ่งมีเอกลักษณ์คืออนัตตาไม่มีไตรลักษณ์อันนี้จังทุกครังไม่มีเพระฉั้นเราเจริญวิปัสสนาเราก็ดูทำคู่ไปแสดงไตรลักษณ์ดูเจนเห็นจริงเลยกายนี้ใจนี้มีแต่ทุกข์กายนี้ใจนี้ไม่ได้มีความสุขจริงหรอก พวกเราหัดใหม่ๆนะเคยมีคนปรารภนินทาเรานั่นแหละแต่เราหูไวไปหน่อยปรารภว่าโอ้มาหัดกับหลวงพ่อใหม่ๆนะมันมีความสุขนะมีความสุขทุกวันทุกวันเดี๋ยวนี้ทาไมมันมีแต่ความทุกขนะ์เห็นแต่ทุกข์นะกระนาดไปนอนหลับยังทุกข์เลยพลิกไปพลิกมาก็มีแต่ความทุกข์ความสุขมันเป็นภาพลวงตาเหมือนเป็นอะไรนะน้ำหวานเคลือบยาไว้ข้างใน ยาขมนะยานาจริงๆขมนะยาไม่หวานหรอกแต่หัดภาวนาทีแรกจะมีความสุขเพราะอะไรเพราะอยู่กับโลกมันทุกข์มากพอเราห่างไกลโลกออกมานะเราภาวนาไปเรื่อยแทนที่จะเห็นสุขลคราวนี้จะเห็นแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์นะยืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์นะคิดไปคิดมาก็ทุกข์หาทางไม่คิดก็ทุกข์ทอะไรก็ทุกข์อยากไม่ทาอะไรเลยก็ทุกข์อีก มันคล้ายๆในโลกนี้นะเหมือนไฟไหม้โลกอยู่จะย่างเท้าลงไปตรงไหนนะก็ไฟไหม้ทั้งนั้นเลยไม่มีที่ไม่ทุกเลยนี่เห็นอย่างนี้นะใจนี้จะถูกความทุกข์ความทุกข์ ม, กมันแสดงให้ดูนะใจที่มีสติปัญญาตามรู้ตามดูมันถูกแผดเผาถูกแผดเผาให้เร่าร้อนที่เรียกว่าตะบะเคยได้ยินคําว่าตะบะไหมไม่ใช่มัตตะบะนะตะบะเฉยๆนะตะบะนี่เป็นไฟที่แผดเผากิเลสให้เร่าร้อนนะ เห็นไหมกายมีแต่ทุกข์มันน่ารักน่าหวงแหนตรงไหนจิตก็มีแต่ทุกข์มันน่ารักน่าหวงแหนตรงไหนเนี่ยมันสติปัญญามันแก่รอบนะัมันแผดเผากิเลสอยู่เพื่อมันไม่เผาเฉพาะกิเลสกิเลสอยู่ที่จิตจิตเลยถูกเผาไปด้วยแห้งเลยนะพอแห้งผากคนไหนทําสมาธิได้ก็ทําได้เติมน้ําให้ชุ่มฉ่านะคนไหนทําไม่ได้ก็ภาวนาไปแบบแห้งแงล้งลําบากนะแต่ก็ต้องอดทนนะมันเป็นทางผ่าน มันคล้ายๆการทำคลอดนะภาวนาหลวงพ่อไม่เคยคลอดหรอกแต่เคยฟังเขาเล่าพวกผู้หญิงที่เขาเคยคลอดเ่าบอกเจ็บนักหนานก่อนที่เราจะคลอดขึ้นสู่ธรรมะจริงๆข้ามภพข้ามชาติจริงๆเนี้ยสาหัสจริงๆเลยเหมือนคลอดจริงๆเลยเราไม่รู้หรอกว่าผู้หญิงเจ็บแค่ไหนเรารู้แต่ว่ามันทุกข์แสนสาหัสเลยเขาเห็นทุกข์สุดขีดเลยนะทุกข์สุดขีดด้วยจิตที่มีพลังเต็มเปี่ยม ไม่ใช่มีความทุกข์ก็เหยาะเหยะแย่แย่ล้มเหลวไปละอย่างนั้นใช้ไม่ได้เราต้องฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาของเราจะมันแก่รอบขึ้นมานถึงวันที่จะทําสงครามข้ามภพข้ามชาตินี้เราจะเจอความทุกข์ครูบาอาจารย์ถึงพูดนิพพานอยู่ฟากตายหลวงปู่มั่นนะทุกถึงสลบไปสามรอบนะพอท่านเล่าถึงตรงนี้ลูกศิษย์ลูกหาบอกไม่เอานิพพานเหมือนยาสลบอย่างนี้ไม่เอานะฟังแล้วน่ากลัวทุกอยู่อย่างนี้ยังไม่เคยสลบเลยแต่ไม่ใช่ทุกคนต้องเป็นอย่างท่านนะ จิตของท่านมันเข้มแข็งมากถ้าเข้มแข็งมากธรรมะต้องรุนแรงมากไม่งั้นไม่ยอมปล่อยจิตพวกเราหยอหยอใหญ่ๆเองนี้ปล่อยง่ายเชื่อหลวงพ่อเถอะ <laughs> <laughs> เจอความทุกข์ก็หน่อยไม่เอาแล้วอินทะรี <laughs> ย์มันไม่ได้แกข่งพอที่จะนะไปเป็นอาจา ร, รย์ใหญ่อย่างท่านหรอกนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกนะค่อยฝึกของเราทุกวันทุกวันทุกวันต่อไปนะีจิตมันจะเห็นทุกข์ เห็นสุกเนี่ยมันเห็นตอนเบื uh ้องต้นหรอกนะต่อไปมันจะสุขอะไรสุขมันเป็นภาพดวงตาสุขมันไม่ได้มีจริงแต่ทุกมันของจริงกายนี้ทุกใจนี้ทุกอันนี้ของจริงเนี่ยดูลงไปอย่างนี้เรื่อยๆพอเห็นความจริงแลเห็นทุกนี่เรียกว่าเห็นความจริงแล้วจิตจะสลัดทิ้งเลยไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจแล้วมันเป็นก้อนทุกจะไปยึดมันทําไมทุกวันนี้เราปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจไม่ได้เพราะเราเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นของดี รู้สึกแมงกายเราดีเนี่ยยังสาวอยู่ว่าอู้ดทาแป้งแต่งตรงนี้หน่อยทาตรงนี้นิดนะอาอู้สวยยังอาไม่ไม่สวยคิ้วทางนี้หนาไปเอาไมนะ <laughs> อย่าไปทำนะไอ้คิ้วถาวร น, น่ะวันไหนเกิดอยากบวชฉีแล้วทุเละที่สุดเลยน <laughs> ี่ไม่ชีนี่ไม่มีม่ต้องหันนะ อ้าวลืมตรวจกันบ้านอีกแล้วพอได้มีโอกาสมาอยู่วานครับก็จิต ด, ดีขึ้นรู้สึกไหมจิตมีพลังขึ้นแล้วนะก็บริกรรมตามที่หลวงพ่อบอกครั้งสัปดาห์ที่แล้วครับแล้วก็บีบนวดอวอครับแล้วก็อพอเวลายอยู่คนเดียวปุ๊บมันก็เห็นความฟุ้งซ่านของตัวเอง เ, อเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็ พอหลักลัวปุ๊บเนี่ยเวลาผูไมได้ยินอะไรมันก็จะตีความไปครับได้กินอะไรมันก็ตีตความไปดีนะนภาวนาได้ดีนะภาวนาอย่างนี้อีกไหนไม่ต้องรักษาอะไรละสบายหายได้นะค่ะเมื่อวานไม่สบายอะคะ่ะเมื่อวานตอนบ่ายก็เลยแบบเบลอไปเลยอะคะ่ะ เบลอแล้วทําไงเบลอต้องรู้ว่าเบลอนะอยากหายไหมอยาค่ะไม่เป็นกลางเอานะให้รู้ที่ไม่เป็นกลางค่ะแล้วเช้านี้ก็เลยแบบเมื่อวานคงจะไปเพ่งไอ้ที่หลวงพ่อบอกให้ดูจิตที่เคลื่อนไหวอะค่ะไม่แน่ใจว่าไปเพ่งมันถ้าเพ่งมันก็แน่นๆไม่สบายถ้าปล่อยให้มันทํางานแล้วตามดูไปอย่าไปเพ่งเพ่งแล้วหมุนบางคนค่บางคนเวียน เช้านี้ก็เลยฟุ ง, ฟงเลยค่ะฟุงรัว่วฟุงไม่ต้องรักษาให้หาย<ะ>หลวงพ่อวันนี้ก็เวียนนะดังตรนอุตส่าห์ไปซื้อเครื่องเขย่ามาให้ขึ้นไปเขยา่า <c oughs> โอ้ <c oughs> เวียนเลยยังไม่ชินยังไม่ชินนะม <c oughs> องกิเลสมองกิเลสยังบังคับอยู่นะปล่อยซะปล่อยบังคับไม่มีประโยชน์หลวงพ่อเคยฝึกมาก่อน หลวงพ่อฝึกสมถะ22ปีฝึกแบบเอาจริงจังนะไม่ใช่ฝึกเล่นเล่นทำมั่งไม่ทำมั่งฝึกทุกวันเลยมีเวลานิด น, นหน่อยๆก็ทำได้แต่ความสงบใจไม่เป็นอย่างของคุณเงี้ยไม่สบายจริงอ่ะให้คลายออกซะนะแล้วก็รู้สึกไปปล่อยให้จิตทำงานไปถ้าเราเพ่งเอาไว้เนี่ยไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูพอปล่อยได้นะจะแสดงกายแสดงไตรลักษณ์ใจแสดงไตรลักษณ์เองเลย นนกลัวก็รู้ว่ากลัวไปหัวใจจะวายแล้วตุมตุมตุ้ ม, ม, มอ้าวจะวายยังใครเป็นหมอมัง่งมีไหมวันนี้มีมีหมอไหมปกติหมอเยอะวัด น, นี้โอ้หมอโอ้หมอเยอะแยะเลยนะไม่เป็นไรนะช็อกไปมีคนช่วยหายแล้วค่ะเออหลวงพ่อพยายามคุยเล่นด้วยได้ไม่กลัวอ้าวว่าไป รู้สึกตัวได้บ้างคะ่ะแล้วก็เผอบ้างอะไรอย่างเงี้คยค่ะยางบังคับนะ <c oughs> ให้เป็นธรรมชาติแต่ว่าพอเป็นธรรมชาติก็ฟุ้งซ่านไปนิดนึงเพราะงั้นให้บริกรรมไว้นะพยายามท่องพุโทโธพุโทโธท่องในใจอ่นะแต่ถ้าไม่ชอบคำว่าพุโทโธท่องคำอื่นก็ไดนะท้ท่องอย่างอื่นก็ได้เอาคำที่ใจมันชอบท่องแล้วสบายใจนะไปเลือกดูนะท่องสบายใจแล้วก็ท่องไปเรื่อยๆพุโทโธพุโทโธพุโทโธอะไรเงี้ย พอใจแอบไปคิดเรารู้ทันใจเปรี้ยเพ่งขึ้นมาเครียดเครียดเรารู้ทันใจเป็นสุขเป็นทุกข์คอยรู้ทันนะไปฝึกเอานี่คือการหัดรู้สภาวะการหัดรู้สภาวะนั้นเป็นต้นทางของการปฏิบัตินะนั้นเราต้องหัดรู้สภาวะเบื้องต้นทํากรรมฐานนั้นใดอันหนึ่งขึ้นมาซะก่อนสําหรับคนที่ยังทําไม่เป็นจะพุโทโธก็ได้จะดูท้องพองยุบก็ได้จะขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้จะรู้อีริยาบุตสีก็ได้นะทำอะไรก็ได้เอาสักอันหนึ่ง แต่คําว่าทําอะไรก็ได้ต้องทําสิ่งที่ดีๆนะไม่ใช่ทําชั่วก็ได้นะตกปลาแลจิตสงบงนี้ไม่เอานะอย่างนี้ทําอากูสนถ้าไปเลี้ยงปลาเนี่ยกว้างอาหารไปให้ปลาใจจะผ่อนคลายนะใจจะคลายมันเอาออกอถ้าเอาเข้านะแน่นให้คลายออกคลายออกแล้วสบายพอสบายแล้วนะใจสบายค่อยๆสังเกตใจไป ทำกรรมฐานอะไรก็ได้ทำไปสบายๆแล้วใจมันจะทำงานอย่างอิสระขึ้นมาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคอยตามดูไปจนจิตมันจำสภาวะได้แม่นความสุขหน้าตาอย่างนี้ความทุกข์หน้าตาอย่างนี้หลงไปคิดหน้าตาอย่างนี้นะโกรบกรธหลงหน้าตามันเป็นอย่างนี้แต่ไม่ได้เห็นหน้าจริงๆนะเป็นเป็นพลังงานเป็นความรู้สึกเป็นความเคลื่อนไหวภายในพอจิตมันจำได้แล้วต่อไปสติเกิดเองพอสติเกิดเองแล้นะใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมา มันจะเห็นสภาวะทั้งหลายไหลามาไหลไปจิตเป็นแค่คนดูนะไปฝึกไปอย่างนี้เรื่อยๆในวันนี้หลวงพ่อไม่ได้ตรวจกันบ้านทั่วถึงหลวงพ่อเลยต้องรีบเทศไว้หน่อยคนที่มาใหม่ๆจะได้หลักไปบ้างนะไม่งั้นมันนั่งนินทาเราเรื่อยๆนะว่าสอนอะไรว่าวันนี้สอนอะไรวะ <laughs> บางคนเราอุตส่าห์ตอบให้นะว่าสอนให้ดูสภาวะมันยังไม่ฟังอีกไม่เอาแต่นินทานะ อา้าวยกมือนี่นะแล้วก็ร้อยสิบอดแล้วก็คนเสื้อสีฟ้าเออแล้วสามเจ็ดอีกคนเจ็ดเจ1ดสามเจ็ดรอยอดแล้วก็ไปข้างหลังนมัสกั<ย>ก<ล>ที่หลังเขาวันนี้เป็นวันที่ครบหนึ่งปีพอดีอะคะ่ะที่มาภาวนาที่นี่ะคะ่ะแล้วจิตเป็นไงตอนนี้มีโมหะไม่แม่หนึ่งปีเนี่ยจิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนค่ะ ถ้าเทียบกับตอนก่อนภาวนาจะเห็นว่าแตกต่างกันเยอะเพราะว่าสมัยก่อนอะไรนิดอะไรหน่อยเราก็ทุกอะไรนิดอะไรหน่อยก็แบบเครียดอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ามาถึงมากเท่าไหร่ใจมก็มัอยู่หงๆประมาณนั้นคะ่นะแต่ว่าความสุ้ไปอยู่ห่างๆขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าเทียบไต่มาสที่แล้วกับต่มาสนี้รู้สึกเหมือนไม่ค่อยต่างอะค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าเราทําอะไรไม่ถูกหรือว่าขาดอะไรไปได้เปล่าเราเพ่งแรงไปนิดเพ่งเหรอคะใจทือๆไปหน่อยค่ะรู้สึกวันนี้เหมือนมัน จะเรียกว่ามีโมหะก็ไม่แน่ใจว่าเรียกถูกรึเปล่ามีมีโมหะนะค่ะแล้วก็กดเอาไว้ด้วยช่วงเนี้ยกดช่วงสองสามเดือนนี้นะอ๋อค่ะใจมันจะนิ่งๆบบนิ่งเกินไปนิ่งเกินไปเลยไม่เดินปัญญาอ๋อค่ะถ้างั้นก็คือปล่อยให้แบบถือศีลห้าแล้วก็ปล่อยให้ใจมันทํางานต้องมีศีลห้าไว้ก่อนค่ะแล้วปล่อยให้ใจทํางาน จะลองดูค่ะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งอะค่ะพอดียกมาอย่างี้หลวงพ่อไม่ค่อยได้ยินค่ะอีกคำถามหนึ่งอะค่ะพอดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะเรา ต้องไปทําฟันแล้วเราก็คือดูจิตของเราไปเรื่อยๆกลัวก็เห็นว่ามันกลัวแล้วทีนี้มันมีอยู่แวบหนึ่งคือเดิมทีอะค่ะเราจะรู้สึกว่าเรามีกายอยู่แล้วก็มีใจมีจิตอยู่ข้างในใช่ไหมคะแต่ตอนนั้นมันเหมือนแยกออกจากกันแล้วเราก็ตกใจว่าเออทำไมมันแยกแล้วมันก็กลับมารวมกันเหมือนเดิมอะค่ะไม่แน่ใจว่าสภาวะตอนนั้นเกิดอะไรเราเห็นนะรูปกับนามคนละตัวกันพอเจ็บมากๆอย่างนั้นเรียกถอดกายทิพนี่มันหนีนะ แต่ถ้าปกติอยู่ในชีวิตประจําวันนี้มันก็แยกกันอแต่จะแยกไม่ใช่แยกแบบชุบออกมายืนอยู่ข้างนอกนะอถ้าชุบออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นผลของการเพ่งพอเรากลัวมากเราเพ่งมากเพ่งเพงเพงนะเรากลัวไม่อยากรู้เรื่องร่างกายเนี่ยจิตเลยกระโดดนี้ออกมาจากกายอพอจิตเรายืนอยู่ข้างนอกนะหมอมันก็ทําฟันไปเราก็ดูไป<อ>หมอมันหันมาเห็นนะอันนี้มันถอนฟันจิตซี่เลย <laughs> แล้วก็ที่หลวงพ่อกรุณาบอกให้ว่าหนูเพ่งอะค่ะหนูไม่รู้ตัวว่าหนูเพ่งแล้วหนูจะปล่อยอย่างไรดีสังเกตใจถ้ายังมีส่วนใดส่วนหนึ่งนิ่งนิ่งทื่อๆอยู่นะเพ่งอยู่ค่ะรู้สึกไหมตอนนี้มีตัวหนึ่งนิ่งนะเนี่ไปดู<ม>ถ้ารู้ว่าเพ่งเดี๋ยวมันคลายเองค่ ะ, ระครัไปเบอร์37ใช่ไหมหรือเบอร์สามหกเบอร์อะไรจาไม่ได้ละแล้วก็ร11จําดได้ การมรสการค่ะหลวงพ่อวันนี้ที่เห็นชัดก็เคยเห็นดีกว่าเมื่อวานเห็นความอยากตลอดเลยค่ะแล้วก็วเห็นแรงผลักดันที่ทําให้เกิดความทุกข์ดิ้นรนข้างในให้ดูนะแล้วก็อย่าไปเกลียดมันค่ะเห็นไม่ชอบแล้วไม่เป็นกลางนั่นแหละไปดูที่ไม่ชอบนะให้รู้อย่าไปเกลียดมันค่ะภาวนาใช้ได้แล้วนะเห็นไหมเห็นกิเลสดีเห็นกิเลสแล้วดีนะไม่ใช่เห็นกิเลสแล้วไม่ดีแล้วบางทีก็มีไปกดเอาไว้ด้วยกดไว้ไม่ดี 1 1 1อดทนนะอดทนเรียนพวกที่มาใหม่ๆก็ทนหน่อยทนฟังแล้วฟังอีกเดี๋ยววันหนึ่งจะได้ดอกผลเหมือนคนอื่นเขาชีวิตจะมีความสุขในมรดกการหลวงพ่อเจ้าค่ะ ร, ร, รู้สึกไหมรู้สึกไหมหลงแล้วมันในการคุยแล้วชักจะชักจะเมาแล้ว เอาว่าไปค่ะที่ปฏิบัติอยู่เป็นยังไงบ้างอะคะคือพอเห็นเห็นแต่หลงคิดนะคะตัวเองไม่ค่อยเห็นนะคะของคุณนะต้องมีเงื่อนไขช่วยเหลือนิดนึงอย่าคลุกคลีมากถ้าเข้ากลุ่มมากนะจะพูดมากเป็นคนช่างพูดโดยธรรมชาติเลยนะถ้าพูดแล้วชักๆๆกชักไปเลยแล้วมันถ้ามันอย่างนั้นเราจะดูไม่ได้นะเพราะฉนั้นเบื้องต้นเนี่ยเราปลีกตัวชนิดหน่อยนะอย่าปลีกมากจนเพื่อนจับส่งสีทัญญานะ แต่ว่าไม่ใช่คุยคุยคุ ย, คยเพลินเพลินไปน ะ, ะต้องสำรวมนิดนึงก่อนเบื้องต้นเราสำรวมแล้วคุณดูได้อยู่ของคุณขาดแต่เพียงแปลว่าใจมันฟุง้งซ่านมากตอนนั้นเลยเอาไปคุณโน้น ค, คุณผู้ชายใส่แว่นตาเสื้อสีฟ้ายกมือไว้กราบน้ำสักการหลวงพ่อครับวันวันนี้ขับรถมาก็สติตั้งตั้งมั่นดีครับพอเมื่อกี้ได้มีโอกาส พอบอกว่าจะให้สงการบ้านนี่ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจดีใจที่ได้ตื่นเต้นนะฮะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ย เ, เมื่อสองาทิตย์ก่อนมาสงการบ้านเนี่ยหลวงพ่อว่าติดเอประคองอยู่นะครับวันวันนี้เนี่ยเข้าใจว่ายัางมีนิดนึงแล้วก็ยังกด อ, อนนใช้ได้นะวันนี้ดีกว่าคอยก่อนเยอะเลยครับไม่ไม่ทราบมีอีกการบ้านนะครับได้ทำอีกยังทําไม่พอนะแล้วก็ถึงเวลาก็ทําความสงบบ้างไม่ใช่ไม่ทําเลยนะครับ ส่งมาข้างหน้ามานี่ยกไว้ก่อนเดี๋ยวนะักข้างหลังยกทีหลังครับส่งมาหน้าสุดเลยมาหน้าสุดยกมือไว้สองคนนี้แปลกนะคนนึงชื่อดาวคนนึงชื่อฟ้ากดน้อยลงแล้วค่ะหลวงพ่อใช่ก็ปล่อยปล่อนานาได้ดีนะภานาไปของของดาวมีโมหะนะมัวนิดนึงมันเหนื่อยไปกับโลกมากไป ออกฟ้าใช้ได้คุนแต้มดีแล้วแต่คุณแต้มมันไม่ตั้งมั่นนิดหนึง่งนี่มันมั น, ม, นมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยไปนั้นเวลาภาวนานะถ้าสังขารร่างกายมันเหน็ดเหนื่อยเกินไปบางทีภาวนายากบางทีหิวก็ต้องไปกินข้าวนะเหนื่อยมากก็ต้องนั่งพักง่วงก็ต้องนอนแต่ไม่ใช่นอนหามรุ่งหามค่ำนะหลวงพ่อขออนุญาตถามอะค่ะ บางทีสังเกตว่าพอใจมันพุโทโธขึ้นมาเองเนี่ยมันยินดีแล้วมันก็กระโดดพุดโทโธต่ออันนั้นคือถ้าเวลาไม่รู้ทันนี้มันจําเป็นต้องมีตันหาที่เราจะพุโทโธทุกครั้งไหมคะหรือว่าไม่ไม่ไม่ไ ม, ม, บมีบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีบางทีมันเคยชินมันพุโทโธด้วยไขยสันหลังเมื่อกี้ขย็ยกมือเห็นแวบๆแบบอาทางโ น, น้นเดี๋ยวนะอาทางนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวไล่ไล่ไป ภูมิใจลอยนะแช่วงนี้พอนาดีขึ้นแล้วค่อยมีแรงขึ้นกาบเรียนหลวงพ่อเจ้าค่ะอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าจากที่ได้ไปปฏิบัติมามีอยู่วันหนึ่งจิตเกิดการรวมขึ้นแล้วก็เห็นกลายเป็นก้อนทุกข์ก็คือสภาพของก้อนทุกข์นี้เป็นสภาพที่ เห็นกายทั้งกายเนี่ยมีทุกข์ที่ติดอยู่มันเป็นทุกข์ที่ติดอยู่ประจำกายคือมีกายก็มีทุกข์ไม่มีกายทุกข์นั้นก็หายไปคือติดกันอยู่เป็นก้อนเดียวกันแล้วหลังจากนั้นอีกสักอิดใจหนึ่งก็เห็นเวทนาที่ก้าเกิดขึ้นจิตก็วิ่งไปหาเวทนาที่ก้า แล้วหลังจากนั้นอีกกใจหนึ่งก็เห็นเวทนาที่กล้ามากกว่าเกิดขึ้น hmm. จิตก็วิ่งไปยังเวทนาที่กล้ากว่าก็ทิ้งเวทนาเดิม hmm. แล้วหลังจากนั้นก็จะมีเวทนาที่วนเวียนกันอยู่อย่างนี้จนสุดท้ายเกิดเวทนาอันสุดท้ายเป็นเวทนาที่กล้ามากกล้าจนกระทั่งเราคิดว่าเราจะต้องเปลี่ยนอิรยิยาบถพอมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนอิรยิยาบถก็เห็นสภาพของรูป ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวมีสภาพที่เริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่กายเริ่มขยับ <c oughs> แล้วหลังจากที่เปลี่ยนอิริยาบถเสร็จรูปนั้นก็สลายเปลี่ยนเป็นรูปใหม่ตามอิริยาบถใหม่ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเวทนาที่ก้านั้นผ่อนคลายลง <c oughs> ดีขึ้น แล้วก็สังเกตเห็นว่านอกจากเวทนาที่ดีขึ้นอันนั้นแล้วเวทนาที่เป็นทุกข์ประจากายที่ติดอยู่กับกายก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเปลี่ยนเป็นอยู่ในสภาพใหม่ <c oughs> แล้วก็มีใจก็รู้สึกว่ามีความสุขลอยขึ้นมานิดๆ <c oughs> แล้วจิตก็มีความพอใจชั่วอึดใจหนึ่ง <c oughs> แล้วหลังจากนั้นจิตก็มาดูที่กายใหม่ก็คือก้อนทุกข์ <c oughs> อันเดิม แล้วหลังจากนั้นดูไปอีกเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นของจริงหรือเปล่าก็อีกอึดใจเดียวกายนั้นก็เกิดความกล้าขึ้นมาใหม่แล้วเวทนาที่เกิดขึ้นเป็นแต่ละส่วนที่กล้าขึ้นก็ปากอดขึ้นใหม่มก็วนเวียนเป็นอีกรอบหนึ่งจนกระทั่งแน่ใจว่าสภาพนี้มีจริงๆก็ก็เลยอยากจะกราบขอเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติมานี้ถูกหรือเปล่าจะถูกนะถูก แต่โยมต้องภาวนาแบบผ่อนคลายหน่อยนะให้จิตใจเราผ่อนคลายจิตใจของโยมกล้าแข็งไปสติกล้าแข็งไปะให้มันผ่อนคลายกว่านี้นิดสติที่กล้าแข็งเกินไปเนี่ยไม่ดีนะใจมันจะแห้งแรงไปแล้วอย่างนี้จะโยมจะต้องทอํายังไงต่อเจ้าค่ะโยมอย่าจงใจปฏิบัตินะเจ้าค่ะให้เขาเห็นของเขาเองเราแค่ตามดูระยะระยะไปตรงที่มันจะได้อะไรดีๆเนะี่ยมันเป็นเอง ถ้าเราเราจ้องไม่ให้คลาดสายตาเลยนะคอยจ้องเพราะว่าเราอยากดูเราอยากรู้เนี่ยมันมีความอยากซ่อนอยู่เบื้องหลังแล้วเราก็คอยดูนั่งไปเรื่อยพอเวทนาเกิดเราเห็นเวทนาเกิดดับอะไรอย่างเงี้ยมันจงใจมากไปตรงเนี้ยให้ให้ภาวนาะให้สบายกว่านี้นิดนึงคืออันนี้โยมเห็นได้จากตัวความรู้สึกที่เข้าไปเห็นเจ้าค่ะอ่าใช่แต่ใจเรากล้าแข็งไปนิดนึงนะแล้ ว, แ ล, ว, แ, ลวแล้วอย่างนี้โยมจะต้อง ปฏิบัติเพื่อที่จะเข้าไปดูทุกตัวนี้อีกหรือเปล่าเจ้าคะมันรู้เองโยมก็นั่งไปนะพาเวทนา <c oughs> เกิดแล้วสติมันจะเข้าไปะระลึกเอง <c oughs> อย่างนั้นดีแต่ถ้าโยมไปนั่งรอนั่งรอนี่รอนั่งลุ้นไปเรื่อยๆนะอย่างนี้ใจไม่สบาย <c oughs> ใจของโยมขาดความสบายนิดหนึ่งพอใจ <c oughs> ไม่สบายเนี่ยใจจะไม่สงบดงนั้นจิตจะไม่รวมลงมา <c oughs> เวลาที่อริยามรรคจะเกิดเนี่ยจิตรวมนะจิตจะรวมเข้าอัปปนาเอง ควรควรจะผ่อนคลายมากกว่านี้ต้ผ่อนคลายว่า น, นี้นิดหน่อยนะไม่ใช่ผ่อนจนเหลวไหลนะเพียงแต่โยมตั้งสติกล้าขแข็งเกินไปในอภิธรรมก็มีนะในเรื่องวิปัสสนู ป, ปกิเลสมีอยู่อันหนึ่งที่สติกล้าขแข็งเกินไปเราต้องไม่ไม่ให้มันแข็งเกินไปให้มันนุ่มนวลหน่อยใจของโยมรู้สึกไหมมันไม่ค่อยนุ่มเจ้าค่านะเนี่ยตัวนี้ที่ขาดจิตมันไม่มีมุทุตานะ มันไม่เบามีราหูตาเห็นไหมในองค์ธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลกุศลเจตสิกอะ่ะตัวนี้มันขาดอยู่ ต, ต้องมันฝึกดูอาการของใจใช่ไหยเจ้าค่ะรู้ใจเราบ้างนะโยมอย่าไปจริงจังในการดูกายและเวทนารุนแรงรวมทั้งไม่ได้จงใจดูจิต ด, ด้วยนะถ้าจงใจดูจิตจิตมันก็เข้ามาติดที่เดียวกันนี้โยมรู้สึกไหมขณะนี้จิตโยมคลายกว่าตะกี้แล้วเจ้าค่ะเห็นไหมเนี่ยเราต้องรู้ด้วยจิตที่ผ่อนคลายอย่างนี้ยรู้ไปสบายสบายนะ แต่ถ้าเราดูอย่างจริงจังเลยดูแบบไม่คลาดสายตาจิตจะเครียดจิตที่เครียดจะไม่สงบจิตที่ไม่รวมนะไม่สงบไม่รวมอัปปนาสมาธิไม่เกิดเนี่ยอริยมรรคไม่มีเจ้าค่ะหมายถึงว่าให้พยายามใช้ตัวความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติเข้าไปแล้วลึกรูใ้ใช่ใช่ใช่เจ้าค่ะใช่ถูกต้องเลยยมเรียนอภิธรรมปะเรียนเจ้าค่ะเออเรียนพภิธรรมเนี่ยคุยกันง่าย ยมรู้สึกไหมยมควบคุมตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยอย่างตอนที่หันไปยิ้มกับเพื่อนใช่ไหมใจจะคลายออกพอโยอมหันกลับมาเข้าที่นะยมก็กดจิตไว้่างนี้เลยมันสํารวมทันทีเลยตัวเนี้ยที่เป็นส่วนเกินนะต้องปล่อยออกนะอย่าไปบังคับจิตไว้อย่างนั้นโยมบังคับจิตแรงไปหันไปคุยกับเพื่อนบ้าง ตอนที่คุณหันไปหาเพื่อนตะเคียร์คุณรู้สึกไม่ใจตอนนี้ใจคุณคลายออกใช่ไหมเดี๋ยวพอคุณคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บคุณเข้าที่เลยจิตมีกดเข้ามาตรงนี้ตรงนี้ไม่เอาเลยตัวนี้แหละที่กวางไว้นะถ้าผ่านตัวนี้ไปได้การ พ, พัฒนานจะเร็วเลยมันติดการเพ่งเพ่งจนกระทั้งมันนิ่งอ้อรอยสบเจ้าค่ะกลับหลวงพ่อจ้ะเนี่ยจะเริ่มกลับไปแล้วเบอร์สคืออยากเห็นนะอยากดูให้ชัด ก็เลยกลายเป็นชะโงกลงไปดูชะงกไปปั๊บจ้องแล้วไปจ้องเอาไว้นะใจก็นิ่งๆแล้วค่ะนี้หลวงพ่อทำหน้าให้ดูนะเนี่ยมันจะนิ่งอย่างงี้ทั้งวันเลยแล้วก็อะไรเกิดขึ้น่ะเห็นชัดหมดเลยแต่ใจเนี่ยไม่สบายใจไม่ปลงนะต้องให้ใจเบ า, าๆใจนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวนะอาเชิญ130ร้อยสามสิบเจ้าค่ะค่ะกาบกาบหลวงพ่อเจ้าค่ะ ดีโยมโยมรู้สึกว่าการปฏิบัติของโยมเนี่ยมันคลุกเคล้าไปด้วยทุก์ตลอดเลยเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อแล้วก็หลวงพ่อแถมให้คําคลุกเคล้าด้วยโทสะด้วยเจ้าค่ะเรามีความหงุดหงิดผุดขึ้นเป็นระยะระยะเราไม่ชอบมันนะอ่ะว่าไปเจ้าค่ะแล้วมีวันหนึ่งที่โยมเอ่อก็ดูดูความทุกข์ของเขาที่เขามีสภาวะเครียดเนี่ยนะเจ้าค่ะแล้วเออ โยมก็เริ่มเข้าใจว่าความรู้สึกมันก็เกิดว่ามันกายมันเนี้ยมันทุกทุกล้วนๆเลยแล้วก็มันก็จะส่วนตัวจิตเนี้ยมันจะเบาๆ อ, อยู่ตังอยู่ตังหานะเจ้าค่ะแล้วก็นอกจากโยมเห็นกายเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ทุกแล้วเนี่ยโยมบางครั้งเนี่ยโยมก็ยังเห็นจิตเขาทุกข์ด้วยอพอเข้าไปคุกกับอาการที่เป็นสภาวะเครียดนั้นแล้วก็อีก มีบางช่วงระยะสั้นๆที่ว่ า, าจิตเนี่ยถ้าเข้าไปหยิบเอาเรื่องของอดีตมาคิดหรือไปปรุงแต่งเรื่องของอนาคตเขาก็จะทุกข์มากยมเริ่มเริ่มเข้าใจตรงนี้มากขึ้นแล้วตอนหลังเนี่ยยมใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมแล้วมีในลักษณะตอนแรกยอมยมจะตั้งใจหายใจเค่ะแต่ว่าพักหลังเนี่ยยมรู้สึก มันเกิดขึ้นลึกๆจากฐานของจิตเนีเจ้าค่ะมันเป็นลมหายใจที่แผ่วเบาบ้างแผ่วเบามากแล้วก็ ม, มันก็มีความสุขเกิดขึ้นมยมไม่ทราบว่ายมปฏิบัติถูกหรือเปล่าเจ้าค่ะถูกนะบางครั้งจิตมันก็เดินปัญญาบางครั้งมันก็พลิกเข้าหาสมถะนะพลิกไปพลิกมาการภาวนาในภาพรวมดีขึ้นนะแต่ว่าโยบต้องปล่อยให้เป็นธรรมชาติเยอะกว่านี้อีกยังประคองไว้นิด น, นึง อตอนนี้ยังประคองอยู่แหละเจ้าคะขณะนี้ขณะนี้ประคองอยู่รู้สึกไหมเจ้าค่ะสังเกตไหมมันมีตัวหนึ่งนิ่งเราเห็นทุกอย่างเคลื่อนไหวนะแต่มีตัวหนึ่งนิ่งแล้วตัวนี้พร้อมจะโมโหได้ด้วยเจ้าค่ะอย่างตอนนี้ใจหนีไปแล้รู้สึกไหมแวบๆเจ้าแคบบ่ะใจแวบๆให้มแบบันแวบๆดีกว่ามันไม่ยอมแว บ, บเลยถ้าเรารู้สึกว่าเรารู้ตัวอยู่ตลอดเนี่เป็นการประคองไว้แน่นอนเลย พระจิตที่เกิดซ้ําซากได้นะั้นมีไดฌานาจิตเกิดซ้ําซากต้องเพ่งไว้ถ้าจิตโดยธรรมดาของมนุษย์ธรรมดานี่มันจะเคลื่อนไหวตลอดเวลาอย่าตอนนี้ใจไปคิดยอมทราบไห้ยอมรู้สึกไหมยอมมันเหมือนดันตัวเองขึ้นมาเหมือนดันตัวเองขึ้นเนี้ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะเนี้ยเตัวเนี้ยที่เราปรุงขึ้นมาเราพยายามจะให้จิตเราหลุดออกจากสิ่งปุงแต่งที่อยู่ต่ําๆเนี้ยยำหนีมัน เออยางงั้นโยมต้องทิ้งรูปแบบรูปแบบก็ต้องทํานะถ้าโยมไม่ทํารูปแบบเลยไม่ได้อะต้องทําบ้างเพียงแต่ให้รู้ทันรู้ทันรู้สึกไหมเราพยายามดันจิตขึ้นมาพยายามจะดันขึ้นมาให้เรารู้ทันตัวนี้แหละเดี๋ยวมันจะพอดีมันเกินพอดีมันดันมากไปแต่ในภาพรวมก็ยังภาพรวมดีขึ้นนะภาพรวมดีขึ้นเยอะเลยเจ้าค่ะกลับขอพระคุณเจ้าค่ะ ส่งไปข้างหลังคุณเบอร์43ติดเพ่งนะที่คุณฝึกอยู่เก่าติดเพ่งนะมันคือการเพ่งเพ่งคืออะไรเพ่งคือการคอนเซนเทรตลงไปถลําลงไปจ้องไว้ไปคอยดูจ้องไว้ในขณะที่การเจริญวิปัสสนาเป็นการตามดูดูจิตเนี่ยจะตามดูเรียกว่าจิตตามวิปัสสนาการตามเห็นจิตเนืองๆนะของคุณจะถลําลงไปจ้องไวนะ้ให้รู้ทันตัวนี้นะใจก็ถอยนีถย้ถอยขึ้นมามันจะถอยขึ้นมาแล้วมสบาย เคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติไม่งั้นจะมีตัวหนึ่งนิ่งคงที่อยู่ตลอดออาเชิญไปถึงไหนละอ้าวคนนี้ยกแล้วเหรอนึกว่าคนนั่งเก้าอี้เาเอาว่าไปกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อเพิ่งมากราบหลวงพ่อเป็นครั้งแรกค่ะก็ฟังซีดีมาประมาณเดือนสองเดือนมาแล้วค่ะก็ฝึกปฏิบัติมาก็เลยอยากสอบถามหลวงพ่ อ, ว, พอว่า เห็นกิเลสบ้างยังบ <so> ้างเห็นค่อนข้างเยอะค่ะตัวไหนเยอะโทสะเยอะนั่นแหละเห็นถูกใช้ได้แล้วก็ฟุ้งซ่านเยอะค่ะถูกแล้วไปดูอย่างนั้นแต่ว่าอย่าไปภาวนาเพื่อให้มันหายจากโทสานะคแค่รู้ว่ามันมีอยู่แค่รู้ว่ามันหายไปอย่างหนูนี้ต้องใช้อะไรเป็นวิหารธรรมเหรอคะาคุณดูจิตไปคุณเป็นพวกคิดมากแล้วก็เป็นพวกขี้โมโหภาวนาไม่ยากหรอกเชื่อหลวงพ่อเอะพวกขี้โมโหภาวนาง่ายเพราะว่ามันดูง่าย ที่หนูทํามานี่ถูกทางแล้วใช่ไหมคะถูกทางแล้วไปดูต่อนะ <d> ดูอย่างเป็นกลางเติมคําว่าเป็นกลางเข้าไปคําแต่ไม่ใช่บังคับนะอย่างเช่นจิตเรามีกิเลสแล้วเราไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบยไปเจอของสวยของงามใจมันชอบรู้ว่าชอบเงั้นเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วนะจิตยินดีขึ้นมาให้รู้ทันจิตยินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันไม่ต้องแก้นะแค่รู้ทันไปทําต่อ ก า, าการนมัสการค่ะหลวงพ่อครั้งนี้มากราบหลวงพ่อเป็นครั้งแรกนะคะที่ผ่านมาก็ได้ฟังแต่ซีดีแล้วก็หัดปฏิบัติเองค่ะก็รู้สึกว่าก็เห็นหลายๆอย่างที่ที่ความเป็นตัวของตัวเราอยู่นะคะออบางครั้งอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าออความแตกต่างระหว่างออตัวรู้แล้วก็ความคิดแล้วก็ ความจำได้เนี่ย ม, มันบางครั้งเราสับสนว่ามันคือตัวไหนกันแน่คะเราเราอย่าเพิ่งเรียนอย่างนั้นเลยเรียนยากเพราะเราไม่เห็นตัวสภาวะนนะเราจะแยกสภาวะของเวทนาสัญญาสังขารแต่ละตัวแต่ละตัวจากกานเนี้แยกแยากให้เราคอยรู้ทันปัจจุบันไปเช่นใจเราเกิดสงสัยว่าเอตัวรู้กับตัวคิดต่างกันยังไงตัวรู้กับตัวจาได้ต่างกันยังไงอะไรเนี้ย ให้รู้ว่ากําลังสงสัยคนะฝึกตัวนี้ก่อนนะจะได้ไม่ข้ามขั้นค่ะแล้วตามจริยนิสัยของเราเนี่ยเพียงแค่ดูแค่นี้ก็เพียงพอหรือยังคะถ้าดูถูกก็พอละค่ะไม่ไม่ต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรไม่ต้องใช่ไหมคะเดินได้ก็ต้องเดินเดินจงกรมไม่ใช่แปลว่าเดินกลับไปกลับมานะทุกก้าวที่เดินเนี่ยรู้สึกตัวไว้ค่ะเห็นร่างกายมันเดินไป เดินไปแล้วใจแอบไปคิดก็รู้ทันค่ะฉั้นเดินจงกรมเราเดินอยู่แล้วทุกวันเลยแต่เราเดินแล้วไม่มีสติมันก็ต่อไปก็เดินเราก็มีสติค่ะที่ปฏิบัติที่ผ่านมานี้พอทําถูกบ้างใช่ไหมค่ะถูกสิเมื่อกี้ผู้ชายคนหนึ่งอยู่ห้างหลังเออผู้คนนั้นผู้หญิงนั้นนข้างหลังนั่นเลยนัที่ยกอยู่นะคนอื่นเอาลงก่อนนะคนอื่นคนนี้ยกมานานนักหนาละยกตั้งแต่แรกๆรกเลยตั้งแต่ข้างหน้าเนี่ย กลับขอบคุณหลวงพ่อค่ะคือตอนนี้จิตจิตเคยรู้สึกตัวนะคะนับปัจจุบันจะไม่ค่อยรู้สึกตัวแล้วก็เคยเคยตามรู้ได้บ้างนะคะนับปัจจุบันจะแบบให้ดูไปสีจิตมันโมโหก็รู้ไปค่ะนะรู้รู้ลงปัจจุบันอย่างนี้นะแต่เดิมเรากิเลสมันอ่อนเราก็รู้สึกไปสบายๆล้วก็ว่ารู้สึกดีช่วงเนี้อารมณ์มันแรงขึ้นกิเลสมันแรงขึ้นอย่างเงี้ยแล้วดูกิเลสที่เกิดขึ้นก็ถือว่ารู้ตัวแล้ว ไม่ใช่ว่ารู้แล้วต้องใส่ปิ้งทุกครั้งไปหรอกแล้วต้องฝึกอะไรที่ให้รู้สึกตัวเพิ่มอะไรนี้ไหมบริกรรมเล่นๆพุทโธพุธโทโธก็ได้หรือคุณไ ป, ไปแผ่เมตตาก็ได้คุณเจริญเมตตาไปก็ได้เรียนทําหลวงพ่อเขเจริญเมตตาในความมายัางไงคะก็พยายามมองโลกในแง่ดนะีมองโลกในแง่ดีมองคนอื่นในแง่ดีในแง่เอาใจเขามาใส่ใจเราอะไรเงี้ยนะ มองอนด้วยความรู้สึกเป็นมิตรคําว่าเมตตากับคำว่ามิตรเนี่ยคำเดียวกันคําว่าไมตรีคําเดียวกันคําว่าเมตไตรชื่อของพระสีอา น, น่ะก็คือคําว่าเป็นมิตรนั่นเองเรามีความรู้สึกเป็นมิตรกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพยายามทําความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาใจเราจะสงบร่มเย็นพอใจเราร่มเย็นเรารู้ว่าใจเราเย็นวันไหนใจเราร้อนขึ้นมาเรารู้ว่าใจเราร้อนนะแล้วที่รู้สึกเฉยๆแต่ไม่เป็นกลางเหรอคะ อะไรนะคือบางครั้งของโยมจะรู้สึกว่าตัวเองเฉยๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างหน้านะคะแต่ไม่เป็นการเฉยนี่มันเฉยแบบแห้งแรงไปนะมันไม่ได้เฉยแบบมีความสุขรู้สึกไหมเฉ ย, ยแห้งแรงไปเฉยแบบนิ่งเลยเออนั่นเรียกว่าเฉยแบบเลือดเย็นแล้ว <c oughs> ไม่ดีนะ <c oughs> รู้สึกไหมจิตตอนนี้เริ่มเคลื่อนไหวแล้ว <c oughs> มีความสุขมากขึ้นรู้สึกไหมต้องจิตอย่างนี้นะถึงใช้ได้จิตอย่างตะกี้ใช้ไม่ได้แล้วที่ฝึกนี่ผิดตรงไหนม้าง่ะผิดตรงไปบังคับตัวเองไง เห็นไหมพอหัวร้อทีนึงเห็นไหมรู้สึกไหมมีความสุขขุดขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าใจเราก็โลง่งๆเบาๆอย่างตอนนี้จิตแอบไปคิดแล้วรู้สึกไหมพอเราไม่ไปเพ่งไว้ใช่ไหมใจก็เริ่มไปมาเริ่มแสดงใจรักแล้วเราจะปล่อยให้มันโลง่งๆเบาๆบ่อยๆยังไงคะอย่ากแกล้งนะอย่ากแกล้งให้โลง่งบางคนเหมือนแกล้งโล่งได้โล่งอ่งนี้ทั้งวันนะเหมือนคนโรคจิตมากไปไม่ดีกราบขอบคุณหลวงพ่อ เดี๋ยวหลวงพ่องงช่วยมือลงก่อนช่วยมือลงลงทุกคนนะลงเอายกมืออ่ะนี่คู่นี้นะเอาผู้ชายคู่นี้ยกไว้เอาเบอร์สี่แปดรับไว้ก่อนเบอร์สี่แปดทางผ่านไม่มีเครื่องจับนะต้องแบบที่เขามีมาแข็งอะวัดใครยกก่อ น, ก, นการพิสการหลวงพ่อครับไม่ได้มากราบหลวงพ่อเดือนนึง่งอะฮะ ไม่ทราบตอนนี้จิตเป็นยังไงมีโมหะแล้วดูออกไหมคุณหมอมันดูไม่ชัดนะครับหลวงพ่อจิตมีโมหะร่างกายเป็นไงตอนนี้ไม่ค่อยสบายเต็มที่เท่าไหร่ครับเนาะดูมันเป็นที่กายด้วยเพราะมันเนื่องมาถึงใจอยันที่หมอต้องพยายามแยกออกไปนะให้กายมันป่วยไปใจค่อยๆรู้สึกรู้สึกไว้เป็นกลางไว้เมื่อสักสองอาทิตย์ก่อนนะครับเป็นไข้วัดใหญ่ครับหลวงพ่อมขณะที่มีไข้ขึ้นนะครับ รู้สึกใจมันโล่งมากเลยแล้วก็มันมันมันมีแก็บแก็บที่กว้างมากอืแล้วก็พอมันย้อนกลับมานันมันเหมือนเหมือนกับว่าจิตเป็นบอกตัวเองว่ามันมันแฮปปี้เกินไปหรือเปล่าสําหรับสังขารที่เป็นอยู่ฮะก็เลยเมืนก็ว่าไม่ทราบว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับคือถ้าถ้ามันมีแกบนิดหน่อยนั้ใช้ได้ถ้ามีแกบห่างเนี่ยนะมันจะห่างไปเรื่อยๆแล้วไปถึงพรหมโลกนะอย่าให้ห่างเกินไปนะห่างแล้วจะสบายอยู่กนนะหลายๆวัน ถ้าอย่างนั้นผิดธรรมดาแล้วจิตมันหนีจิตมันหนีทุกมันหนีทุกน้ำหลบเข้าไปอยู่ในว่างๆเข้าอารูปไม่มีอะไรมากครับตามรู้ไปเรื่อยๆครับช่วงนี้งานหนักก็รู้งานหนักเบื่อรู้เบื่อชอบรู้ชอ บ, บหมอคมสันนะอย่าท้อใจนะต้องสู้เวลาป่วยอมันมัวมัวยิ่ง กินยาเข้าไปนะมันมัวทําไงในความมัวเราจะรู้ได้อย่างสบายสบายรู้เป็นธรรมชาตินะเวลาที่รู้ได้ไม่ชัดเราก็รู้ไปอย่างสบายสบายรู้ว่าไม่ชัดนะเป็นกลางกับทุกๆสภาวะหมอสังเกตตัวนี้ไปเรื่อตรงที่มันหนีหลุดไปสู่พลบโลกนั้นเพราะมันไม่เป็นกลางนั้นเองนะงั้นถ้าหมอเกิดสภาวะใดๆรู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นรู้ทันความไม่เป็นกลางที่เกิดขึ้นจิตจะพอดีเองนะ แม้ในขณะนั้นกำลังมืดมัวนะสมมุติเราจะตายแล้วไม่รู้เรื่องแล้วนะทรมานมากเลยจิตในขณะนั้นยังเป็นกลางอยู่เดีนะ๋ยค่อยฝึกเอาแต่ยังไม่ตายนะหลวงพ่อพูดยกตัวอย่างไว้เดี๋ยวจะตกใจเบอร์สี่แปดเบอร์สี่แปดกราบท่านอาจารย์เจ้าค่ะตั้งแต่มากราบท่านอาจารย์ครั้งสุดท้ายเนี่ยพอหลังจากนั้นกลับไปปฏิบัติมีความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยวันๆเห็นแต่ว่าทําไมมันมีความเห็นกับเรื่องราวที่เห็นที่ได้ยิน ที่ล้อมรอบตัวเราตลอดเดี๋ยวความเห็นอย่างนี้เดี๋ยวความรู้สึกอย่างนี้มันขึ้นขึ้นขึ้นมาตลอดแล้วข้างในมันคือเป็นความชั่วร้ายของตัวเองอแล้วก็มีความรู้สึกว่าเวลาบางครั้งเราจะพูดอะไรมันจะรู้ว่าอ๋อนี่มันพูดมาจากไอ้ตัวแสบข้างในนี่เองเจ้าค่ะจะเห็นอย่างนี้บ่อยมากแต่ก็ไม่สภาวะบางอย่างเนี่ยบางวันทําไมขี้เกียจขี้เกียจไม่ยอมอะไรเลยกว่าจะรู้ตัวอะไรกลับมาเนี่ยก็ต้องนานบางวันก็ทํำไมรู้ทีทีทีทีทีทีทีก็เราเลือกไม่ได้เจ้าค่ะเราสั่งไม่ได้หรอ แล้วอีกทีหนึ่งบางทีเนี่ยเวลามันมันมันเห็นจิตที่กระเพื่มไหวแล้วมันดับลงไปเนี่ยทำไมมันกลับไปทวนเหมือนกับว่าดูสิวันนี้เนี่ยเราต้องไม่รู้กี่อารมณ์ละแล้วมันก็ยิ่งเหมือนกับมันมีสลดอยู่ข้างในใจอาจารย์ครัมันไม่ใช่สลดธรรมดานะมันมีโทสะด้วยมันแรงกว่าสลดธรรมดาก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะไอ้ตรงนี้มันคิดไปเองไม่ไม่ได้คิดตัวเองนะเพียงแต่เวลาที่คุณไปรู้เนี่ยคุณจริงจังไป นิสัยคุณเป็นคนจริงจังมากนะผ่อนคลายนิดหนึ่ ง, งตามรู้เล่นๆไป ร, รู้กายรู้ใจนี้ด้วยความเมตตามันนะเจ้าค่ะเหมือนมันเป็นสัตว์ตัวหนึง่งเหมือนมันเป็นคนคนอื่นเรารู้มันด้วยใจที่อ่อนโยนรู้มันด้วยความเมตตาต่อมันด้วยนะของคุณขาดความเมตตาตัวมันนะตัวมันเองคนะรับท่านอาจารย์เจ้าเจ้าค่ะข้างหลังข้างหลัง คุณดูกายดูใจไปเรื่อยๆนะดูด้วยความรู้สึกอ่อนโยนกับมันรู้สึกเมตตามันนะแข็งกับมันไปกระด้างไปหลวงพออ่อติดตามแนวหลวงพ่อมาหปีแล้วก็ยืนยันทุกอย่างว่าสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ย ประสบสด้วยตัวเองแล้วก็รู้สึกดีใจที่มามาตามรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณพระพุทธเจ้ามากเออตั้งอย่างนั้นค่ะแล้วก็แล้วก็ต้องไม่ลืมครูใหญ่เราแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยเปิดจะอ่านไพ่แล้วก็เวลาที่น้องๆเขามาขอปรึกษาชีวิตผ่านไพ่เนี่ยก็จะเอาคําสอนเนี่ย <l acht> ไปให้เขาก็มีน้องอยู่ 2- อสคนที่รู้สึกว่าเขาปฏิบัติแล้วก็อยากให้เขาเนี่ยฟังจูนมาทางที่ที่เหมาะสม <l acht> จึงขอคิวตรงนี้เนี่ยให้ให้3คนนะคะขออนุ ญ, ญ, ญาต ไหนครับอย่าไปบังคับเมันนะรู้สบายๆรู้เล่นๆใจแอบไปคิดแล้วรู้สึกไหมงานอันเดียวที่เราจะทำตอนนี้นะหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆสภาวะเช่นความโลภความโกรธความหลงความสุขความทุกข์ความสงบความฟุ้งซ่านนี่หัดดูเรื่องเหล่านี้ไปเรื่อยๆจิตสงบรู้ว่าสงบจิตฟุงฟ้งรือว่าฟุ้งนะ จิตโลบรู้ว่าโลบจิตแอบไปคิดหลงไปรั่วหลงไปหัดรู้สภาวะอย่างนี้มากๆนะนะเพราะที่ทำอยู่เพ่งแรงไปนิดนึงถามยังยังไม่ได้ถามอ่ะลืมไปแล้วเอาเอาผ่านไปเลยนะอา้าวกลัวก็รู้ว่ากลัวไปนะไม่ไม่มีอะไรจะถามมากค่ ะ, ะสังเก็เนไหมใจเราหลุกหลิกหลุกหลกใช่ค่นะเนี่ยเราก็แค่รู้ทันนะ นี่ยหัดรู้ไปอย่างเนี้ยใจเราแต่ละวันแต่ละเวลาไม่เคยเหมือนกันเลยหัดรู้<า>ไปเรื่อยๆนะ <c oughs> ก็หัดรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆอหัดรู้บ่อยๆนะ<า>อ้าวอีกคนหนึ่งคนที่สามการาบนมัสการครับพอดีไ<ห>ก็ไม่เห็นยืดยืดหน่อยอ๋อว่าไปครับผม อ, อหลังจากที่พอฝึกมาระดับฝึกมาพอดูได้มีโอกาสได้ตามจิตเหมือนกันนะครับเรื่อยๆพอมันถึงระดับหนึ่งมันเกิดความ โทสะขึ้นมาครับซึ่งแต่ก่อนไม่เป็นนะครับเดี๋ยวนี้คือเป็นแล้วจะเป็นแรงมากเมื่อก่อนเมื่อก่อนไปกดมันไว้เป็นแบบเก็บความรู้สึกมากครับเอเมื่อก่อนมันเก็บกดครับผมพอเรามาหัดตามดูนะสิ่งที่เก็บกดเนี่ยคิดดอกเปี้ยเราเพราะั้นหลวงพ่อถึงบอกว่าต้องมีศีลห้าไว้ก่อนโทสะมันจะแรงบางคนก็ข่มราคาไว้นะทําเป็นเรียบร้อยทําเป็นตะเหนทั้งวันเลยพอเลิกข่มนะโอ้โหเป็นเท่าหัวงูเลยนะ ่งคนไหนเก็บความโกรธไว้นานนะมันพุ่งพุ่งๆุ่งออกมานะน่ากลัวเลยนั่นถือศีลห้าไว้ก่อนแล้วไม่เก็บกรวดแล้วตามดูไปที่คุณฝึกอยู่ตอนนี้ใช้ได้แล้วนะจิตของคุณมันเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วครับผมอ้าวต่อไปใครยกมือไปข้างหลังข้างหลังเปอร์ห้าสองเนี่ยจำได้อาคนนี้เอาก่อนก็ได้กับนรเมคารหลวงพ่อค่ะ ไ ม, ไม่ได้มาวัดประมาณ1เดือนนะคะแต่ว่าเห็นสภาวะชัดขึ้นอะไรเกิดขึ้นก็ทราบนะคะมไม่ทราบว่าตอนนี้เป็นยังไงมากใช่ได้ะไดนะพอน่าดีขึ้นเยอะละไปดูอีกยังไม่พอกลับขอบพระคุณค่ะถ้าเผาเราพทุกเอาไปข้างหลังข้างหลังห้าสองห้าสองนะแล้วก็ผู้หญิงเสื้อเขียวๆตรงเนี้ยมีเบอร์ไหมเบอร์อะไรชูให้ดูหน่อยเบอร์45่สิบหเอาร้อยสากลับนะแม่สการ ผูจา่า์ค่ะดิฉันได้มีโอกาสมากับท่านเป็นครั้งที่สองแล้วก็ฟังซีดีนะคะดิฉันอยากจะเรียนถามอยู่3มเรื่องนะคะก็คือเรื่องแรกะจะมีบางครั้งนะค ะ, ะวิ่งหย่อๆแล้วก็เปลี่ยนจากวิ่งเป็นเดินธรรมดานะคะก็จะมีมีอาการ เหมือนเห็นก้อนเนื้อที่เคลื่อนไหวได้นะคะแล้วก็จะคือจะตกใจก็อาการจะเป็นอย่างนี้บ่อยมากแล้วก็ก็จะมีความรู้สึกว่าไม่อยากเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันไม่เหมือนคนแล้วควรจะต้องทำให้มีภาวะนี้คงอยู่ไหมหรือว่าภาวะนี้ทำไม่ได้มันเห็นเองห้ามมันก็ไม่ได้แต่มันเป็นการเห็นที่ถูกต้องแล้วเพราะจริงจริงมันก็แค่ก้อนเนื้อเท่านั้นแหละนะนะเราเห็นความจริงแล้วแต่ใจเรายังไม่ยอมรับ <c oughs> ก็ต้องเห็นอีกค่ะ <c oughs> แตมันเห็นเองนะไม่ใช่จงใจเห็ น, หนแล้วก็<อ>ไม่ <คะ S 1> ใช่ห้ามห้ามไม่ได้ฝึกไปเรื่อยๆคุณดูกายไปร่างกายยืนเดินนั่งนอนคุณเคยรู้ทั้งวันเลยเห็นเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราตัวที่ทํางานอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนี้เรื่อยๆนะค่ะแล้วก็ข้อที่2ก็คือจะ อ, ะอยู่เฉยๆนะคะก็คือจะมีอาการเบลอค่อนค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วก็กระดิกไว้นะ พยารู้สึกสนใจโลกให้มากขึ้นใจเป็นน้อมหนีโลกมากไปต้องไงอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คื อ, อมีความรู้สึกว่าสามารถสามารถอ่านกระแสจิตของบางคนอย่าสนใจนะนอย่าเชื่อเลยอย่างเราคิดว่าเขารู้สึกกับเราอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่ที่คุณคิดว่าใช่ไม่ใช่นะ หลวงพ่อบอกให้แค่นี้นะค่ะกลับขอบพระคุณค่ะเสื้อเขียวได้คนสุดท้ายแล้วเบอ ร, ร์1 4 5เดี๋ยวหลวงพ่อมีธุระนะเบรรอร์อื่นต้องขอเข้ามาอาภัยยกโทษให้หลวงพ่อด้วยนะ <c oughs> กลับนมัสการค่ะลูกมาขอให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะค่ะว่าตัวลูกเหมาะที่จะใช้อะไรเป็นวิหารธรรมอะคะ่ะอือ เาหารเหมาะกับจริตชนิดไหนอะค่ะแล้วเป็นคนแบบไหนล่ะบอกหลวงพ่อบ้างก็ฟุ้งซ่านะค่ะแล้วก็น่าจะมีโทสะเยอะเหมือนกันดูจิตไปสิค่ะเพราะคนฟุ้งซ่านนั้นจิตมันเคลื่อนไหวเร็วเปลี่ยนแปลงเร็วนะ้วคคอยดูไปค่ะ <c oughs> ดู <c oughs> จิตไป <c oughs> เอาแถมให้คนเสื้อสีฟ้าเมื่อกี้ผิดหวังอย่างแรงวสการหลวงพ่อครับคือฟังซีมาสเดือนนะครับ2เดือนแรกปฏิปฏิบัติมี รู้สึกจิตปร่งโล่งสบายอืแต่ละหลังนี่รู้เสื่อมแล้วก็ไม่พอน้ำไม่ถูไหมเพราะว่าจริงๆเนี่ยตอนที่หัดใหม่ๆเนี่ยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งท่าเพราะยังทําไม่เป็นนี่พอดูเป็นนะไปเกิดขยันดูไปจ้องเขามันก็นิ่งๆทื่อๆไปของขุดจ้องแรงไปเป็นทุกคนแหละตอนที่หัดใหม่ๆนะแหมโล่งโผล่แวบบแวบแวบเพราะไม่ได้เจตนามันรู้เองนะพอดูเป็นแล้วเอ๊ะมันโผล่ตรงนี้นี่หว่า ชเํเืองเลยจะทําอะไรก็แอ บ, บชำเลืองนะใจจะทื่อๆไปของ<ล>คนตอนนี้มันเลยเป็นทื่อๆอยู่เวลานั่งสมาธินี่เวลาจิตถึงฐานนี่เป็นยังไงครับจิตถึงฐานอะไรนะ จ, จิตถึงฐ า, านไม่ใช่ตอนนั่งสมาธิตอนอยู่ข้างนอกนี้แหละครับครับพ่ อ, อคุณนพได้แค่นี้นะ<ๆ>เชิญโยมกลับบ้าน